ขอนโมตนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องชนะสูตรในติกนณิป่าในกุทรนิกายก็มีอยู่สองสูตรโดยจะพูดโดยรวมกันเวลาท่านเรียกในบาลีจะเรียกว่าปัทมชนะสูตรทุติยะชนะสูตรก็ววชนะสูตรที่หนึ่งที่สอง มีใจความว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเจดวันมีท่านผู้เฒ่าสองชุดนะฮะมาเฝ้าประ์ก็มาล่าว่าพวกท่านทั้งหลายนั่นก็แก่ชรามากแล้วอายุก็ล่วงการผ่านวัยมาที่ท่านบอกว่าถึงร2อยยี่สิบปีแต่ว่ายังไม่ได้ ทำความดีที่จะเป็นหลักคำระกันตัวเองได้ในสัมปรยายจะพบขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงโปรดสั่งสอนชี้แนะในการปฏิบัติตนเองเพื่อให้ได้มีความสุขในชาติต่อไปพระพเจ้าก็ทรงประรบถึงคำถามของท่านทั้งสองชุดนี้นะชุดแรกเนี่ยตลอดชุดแรกก็รับสั่งว่า บุกฏเมื่อมารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ยั่งยืนถูกจราขับใกล้เข้าไปสู่ความตายทุกขณะก็ควรจะบำเพ็ญบุญที่นำประโยชน์สุขมาให้เพราะบุญนั้นจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่น เราก็ต้องสอนให้ให้ทานให้สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจเพื่อจะเป็นทางเกิดของบุญแล้วจะได้พึ่งบุญเราเห็นว่าเป็นคำสอนอยู่สองตอนเป็นสอนเรื่องศึกษาเรื่องทุกข์กับเรื่องของมรรค ให้มองชีวิตที่มันสัมพันธ์อยู่กับการเวลาเราเกิดมาถึงก็ไหลเข้าสู่กระแสของความแก่ความแก่นั้นก็ขับเคลื่อนชีวิตเราเข้าไปสู่ความเจ็บความตายความเจ็บความตายมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะประากฏเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรากําหนดไม่ได้ว่าเราจะเจ็บเมื่อไหร่และเราจะตายเมื่อไหร่ บางครั้งในที่บางแข่งเนี่ยทรงสอนในแนวของคนเลี้ยงโคที่นำผงโคไปสู่สนามที่ให้กินหญ้าแทนเร็วโครจรหมายความว่าที่จะให้ที่เลี้ยงโคนะฮะทุกอย่างก้าวที่โคเดินไปมันก็ใกล้เข้าไปทุกทีแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถึงที่ ที่กินอาหารเสมอไปกค่าจจะเกิดอุบัติเหตุถูกสัตว์กัดตายหรือว่าตกหลุมตกปอดตายชีวิตเราเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเราิมิได้เอาเครื่องหมายอะไรไม่ได้เป่นเช้าได้อ่านข่าวเล็กๆท่านจอมพลประพาท่านประรบว่าเวรนี้ไม่มีเพื่อนคุย เกื่องก็จากกันไปหมดท่านคงอายุร่วม80หรือ80กว่าแล้วไม่ทราบบนะฮะแต่หมายความว่าเรามองย้อนหลังไปเพื่อนฝูงก็หายไปเรื่อยๆก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้คนดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่การมองแนวนี้ก็แล้วแต่ใครจะมองนะฮะมองแนวใดก็ได้ อย่างแนวนี้พระพุทธเจ้ามองในแนวของความตายที่กําลังจะมาเยือนพระผู้คนแก่มากแล้วนะฮะตั้งร้อยยี่สิบปีแต่ความคิดของบัณฑิตนั้นท่านอาจจะคิดในแนวของโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นอ ว, วัยวะร่างกายเราบางครั้งเนี่ยเกิดเป็นปนัญหาขึ้นมาพราะโรคภัยไข้เจ็บก็ทําอะไรไม่ได้ ที่ว่ามือเท้ายังบังคับไม่ได้โอกาสต่อไปเนี่ยจะทําบุญ น, นําความสุขมาให้ได้อย่างไงก็มองถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นสร้างความทุพพลภาพไปเกิดขึ้นแก่ร่างกายแล้วก็รีบเร่งทำบุญบางครั้งก็มองถึงความตายบางครั้งมองในแนวของขณะจิตเราจะเห็นว่าเป็นโวหารเป็นปริยัตเทศนาที่พระเจ้าจะประรบเรื่อง น, อ น, นี้ มันคือเป็นเรื่องขนาดจิตของคนเมื่อกุศลและเจตนาเกิดขึ้นจะทำความดีนั้นไม่ใช่วางใจได้เราจะทำความดีได้เพราะจะมีอกุศลจิตเกิดขึ้นแทรกซ้อนเกิดขึ้นห้ามกั้นจิตเราเอาไว้ไม่ให้ทำความดีที่เรียกว่าเป็นกิเลสสมานคือมามาแทรกมาขอร้องมาปลอบปรมมาให้เหตุผลที่น่าฟังนะครับ แล้ในสุดเราก็ทำความดีไม่ได้แต่บางครั้งก็ส่งสอนในรูปของขนาที่มันผ่านไปคือการเวลาที่ผ่านไปว่าจุดค่าชีวิตเราให้มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าก็อยู่ที่การรู้จักใช้การเวลา ที่ต้องสอนว่าเธอทั้งหลายอย่าปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปเพราะว่าคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปนั้นจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังเช่นบางทีก็สอนลักษณะเร่งรัดเช่นว่าความเพียรพยายามให้บุคคลที่ เ, เร่งกระทําเสียในวันนี้เพราะไม่แน่พรุ่งความความตายอาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เนื่องจากเราผัดเพี้ยนต่อรองขอร้องกับพระยามัจจุราชผู้มศีนาใหญ่นี่ไม่ได้วันนวธรรมะปฏิบัติสาหรับผู้เว้นบาปเนี่ยจะทรงสอนให้คิดถึงการเวลาเห็นว่าควรพิจารณาเนืองว่าวันคืนผ่านไปล่วงไปในี่ัจนี้เราทำอะไรจบดูในแต่ละขณะของเวลาชีวิตที่ผ่านไป ว่ามันคุ้มกับเวลาที่ผ่านไปหรือไม่แล้วพยายามสอนให้ใช้เวลาชีวิตให้เป็นประโยชน์ให้มากตัวอย่างแต่ละอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นการศึกษาเรื่องสังขารธรรมมองกติธรรมดาของชีวิตในแง่ของไตรลักษณ์ที่เราหยุดเขาไม่ได้เราแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ใช้ประโยชน์เท่าที่ใช้ได้ เวลามันมามันก็ไหลไปเราไปหยุดเวลาไม่ได้แต่เราใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์ดได้เข้ามาเราใช้ถ้าเราใช้ได้เราใกล้ประโยชน์ใช้ไม่ได้เราก็เสียก็แก่ไปด้วยไม่จะเสียไปเฉพาะเวลาเฉยๆเราก็แก่มันดึงเราไปด้วยอย่างที่ทรงสอนว่าการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมด้วยตัวมันเองมาควา ม, มาไปด้วยกันทั้งหมด ทีนี้เมื่อเมื่อมองตรงนี้ว่าตรงนี้เราหยุดไม่ได้เรแก้ไขไม่ได้ก็ส่งสอนในแนวของการให้ทานทั้งสองชุดนะฮะทั้งปฐมพสูตรทั้งตุติยสูก็เน้นที่การให้ทานว่าทําไมเน้นตรงนี้มาจะเป็นไปได้ที่ว่าท่านเหนั้นฐานะดี <c oughs> เก็บรวบรวมทรัพย์สินเงินทองไว้เยอะ แล้วก็ทานนั้นทานที่บริจาคแล้วเนี่ยเป็นสมบัติติดตัวเพราะว่าพวกพวกสังหาริมทรัพย์อสังหาริมาทร์รทรเนี่ยทรัพย์เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มันเป็นสมบัติของโลกวิธีของบัณฑิตนั้นท่านจะแปลงพวกลงนี้ให้เป็นสมบัติติดตัวดยการบริจาคเป็นทาน ก็เริ่มมาจากทานบา ร, รมีของพระพุทธเจ้ากันทีเดียวนะฮะแต่ม้แต่ท่านสุมเมศดาบุตรที่เริ่มต้นเป็นพระโพธิสัตว์แต่รับการพยากรณ์เป็นโพธิสัตว์ก็เริ่มจากการให้ทานเพราะว่าเป็นสุบัติติดตัวแต่อย่างที่ทรงแสดงผลของทานเอาไว้ในลักษณะต่างๆ ที่นำมาอันโมทนาในวิธีใหญ่วิธีกระชินนี่เยอะนะว่าไปเจอะเลยในตรงนั้นคล้ายๆกระตกแตกทุกอย่างสวรรณตาสุสรตาสันทานังสุรูปตาทิปจังบริวาโรสบเมเตนรัตติอะไรเนี่ยวันตามีผิวพรรณสวยงามสุสรตามีเสียงไพเราะสุสันทานังมีสุดทรงดีสุรุปตามีรูปงาม ความเป็นใหญ่ในหมู่คนทั้งหลายก็คือขึ้นมาจากการให้ทานที่สรงใช้แต่ทีนี้ว่าบุญยินิีทชิหมายความว่าแปลงโลกียทรั์ให้เป็นอาริยทรั์คือทรัพที่ติดตัวไปเป็นจากทะนังนะฮะทรั์คือจาัก แต่มันเกิดมาจะสศรัทธาทนั่งซักคือศรัทธ า, าด้วยนะเพรเราไม่มีศรัทธาก็บกริจาคไม่ได้หรืออย่างที่ทรงแสดงไว้โดยประยายอื่นเป็นลักษณะของกิริยาปฏิกิริยาหมายความเราตั้งการผลยังไงเราก็สร้างเหตุเพื่อการนั้นเช่น อนาโดปละโดโคติการให้ข้าวน้ำเป็นการให้กำลังวัตโดโหติวันณโดการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณยานาโดสุกโดโหติการให้ยานผนะเป็นการให้ความสุขดีปโดโหติจักกุโดการให้แสงสว่างการให้ปัจจุเป็นการให้ดวงตาแล้วก็มาสรุปว่าโยจะ โซจากสปารโดโฮติโยรดาติอุปสิยังใครให้ที่อยู่อาศัยชื่อไว้ทุกอย่างต่เป็นการแสดงถึงว่าอิตธผลที่เราต้องการเนี่ยอิตธผลที่เราต้องการก็ส่วนมากเราต้องการในรูปของวัตถุเป็นคำสอนระดับโลกิยะเป็นการตกแต่งภพชาติไม่ใช่สอนเรื่องมรรคผลนิพพานนะนะะสอนเรื่องการตกแต่งภพชาติ เราต้องการอายุวโนสุขขังพลังเราต้องการลาบยศสันเสริญสุขแต่พวกนี้มันเป็นผลเท่านั้นเป็นผลเท่านั้นเมื่อเราต้องการสิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างเหตุเหล่านี้อย่างคาถานโนธนาที่พระอเอามาให้ยัถานยมันมีอยู่สองตอน ตอนบนยถาวริวาหานั้นเป็นข้อที่พระเจ้าทรงแสดงแต่สองบรรทัดล่างเนี่ยเป็นของพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าเอามาต่อกันสองตอนสีบรรทัดแปลเป็นใจความว่าข่วงน้ำที่เต็มจะทำมหาสมุทรสาครให้เต็มได้ชั้นใดทานในท่านบริจาคแล้วจากโลกนี้ย่อมถึงแก่ท่านผู้ ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นแล้วก็อิจิตังปฏิตังตุผังขอสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้วต้องการแล้วจงเต็มบริบูรณ์เหมือนแก้วมณีชื่อโชติรถธเขาเรียกว่าแก้วสารพัดนึกแต่จากเรื่องราวเลาอื่นเช่นให้ในลักษณะตรงตัวนะฮะคือตรงตัวที่เคยเล่าเรื่องเรื่องมครคมนุ์ านางสุธรรมากเคยสร้างช่อฟ้าศาลาก็มีสุธามาศาลาเกิดขึ้นนางสุนันทาสร้างสวนก็มีสวนเกิดขึ้นนางสุจิตาสร้างสะก็มีสะมิทยานเกิดขึ้นลักษณะตรงตัวหมายความให้นั่งสิ่งนั้นให้นั้นสิ่งนั้นให้นั่นสิ่งนั้น น, น, น, น, นั่นก็เป็นอย่างนั้น เราอจจะมีปัญหาว่าพระพุทธเจ้านั้นพระเนตรท่านดีมากกับแปดสิบปีแล้วก็เหมือนเดิมเนตรแจ่มใสพอพระเนตรนดูอะไรก็มองได้ชัดเจนเนี่ยมันก็เป็นผลอ น, นิสงส์จากการให้ดวงตาอนิรงส์มาจากเคยบริจาคดวงตาเป็นทานแก่คนอื่นคนสมัยนี้ชักากลัวไม่กล้าบริจาคดวงตากลัวว่าเกิดต่อไป เกิดชาติหน้าตาจะบอดไม่รู้อะไรมาคิดถึงคิดแปลกๆเราจะเห็นว่าเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาเมื่อเราต้องการผลอะไรก็ให้สร้างเหตุอย่างนั้นขึ้นแล้วผลเหล่านั้นจะติดตามเราไปตั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติหน้าเพราะงั้นจะจะจะส่งแสดงผลในรูปสองชาติ แต่ในขณะเดียวกันมันต้องสร้างลักษณะนิจ ใ, ใจด้วยก็ทรงสอนในรูปของการสำรวจวังกายไปจากใจก็หมายความว่าในการกระทำนี่ทำยังไงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าให้เบียดเบียนตัวเอง รองลงมาก็คืออย่าให้เบียดเบียนผมก็ไม่ใช่คือเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นหนึ่งทีหนึ่งก็คืออย่าให้เบียดเบียนบางคนดิ้แล้วถ้าให้ดีก็อย่าให้เบียดเบียนแก่คนทั้งสองฝ่ายทรงอธิบายในยะนี้พระสูตรต่อไปก็มีคนถามเรื่องเรื่องสันทิฏฐิโกนะฮะว่าที่เราเห็นได้ด้วยตัวเองนี่เห็นยังไงพุทธเจ้าบอมเห็นอย่างเงี้ยมาความโภราคะโทสะโลภะโมหะโทสะมันเกิดขึ้นเนี่ย ความคิดมันจะแรงการพูดมันจะแรงการกระทำมันจะแรงแต่ถ้าเราข่มได้เราข่มที่ใจเราได้การพูดจะลดความรุนแรงลงไปการทำจะลดความรุนแรงลงไปจนถึงก็ไม่ทำแต่ในขณะเดียวกันคนบางคนในกรณีเดียวกันนั่นเองเกิดทำไปแล้วก็ประสบความเดือดร้อนอถูกจับกลุมลงถูษติดคุกติดตาราง เราย้อนกลับมาถ้าเราเป็นอย่างนั้นด้วยเราก็แย่ด้วยแต่ดีที่เราขม่ม อ, อิชนะกิเลสได้ความสุขใจความปีติปราโมทยเราก็เห็นได้โดยใจเราแล้วก็ทรงสแสดงแนวเดียวกันนะั่นนะฮะเกี่ยวกับความว่าพอ ก, กิเลสมันฟูขึ้ น, นแรงๆเนะี่ยการกระทาก็เรื่องตัวก็เบียดเบียนเรากาะนั่นนะ เป็นเราอนแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งตนเองและคนอื่นก็ส่งสอนในรูปของการสารวจระวังไม่ให้เปลี่ยนเบียนตนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติในชั้นศีลแต่ว่าแนวสอนบางครั้งก็ส่งสอนเจาะลึกลงไป แต่ว่าไตาเป็นแนวศีเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่เราเบียดเบียนเมื่อกล่าวโดยสรุปเนี่ย ม, มันไม่มีอะไรอ่ะที่ทรงชายกับาอัตตาอัตตนิยาคือตนกับสิ่งเนื่องทึ่เกี่ยวเนื่องโดยตนเขาก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องหรือเขาเราก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องหรือเราก็ท่านั่นเองถ้าไม่กระทบสองตัวนี้จะไม่มีคนเดือดร้อนแต่ว่าในโลกนี้ที่จริงไม่มีนะฮะ ไม่มีว่าไม่เป็นของเขาก็เป็นของเราไม่เราก็เป็นเขาก็ท่านนั่นเองเราอาจจะเบียดเบียนพื้นที่ดินอาจจะตัดป่าอย่านี่ยตัดไม้ทำลายป่ามันก็เป็นเป็นเป็นของแผ่นดินนะฮะเป็นของแผ่นดินคือเจ้าดึงชช้คําง่ายๆว่าอัตตาตรรยะคือตนกราสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตนเรากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยเราเขาก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยเขาก็คือคือชีวิตเขา ทรัพย์สินของเขาคู่ครองของเขาก็เท่านั้นเองแต่การปฏิบัติในแนวที่เจาะลึกลงไปนั้นพวกระดับสี น, นี่ก็เรียกว่าสาหัติกะอนานติกะหรือทำเองในท้ายคนอื่นทำไม่มีผลเช่นเดียวกันแลเราจะเห็นว่าสมัย ก, ก็เจ้าพระฝังทำไมพระเจ้าตากสินต้องเอาพวกนี้มาดํานะพิสูจน์ทดสอบเพราะวินัยเนี่ย ว, วินัยพระนี่สองข้อนี่อันตรายมากเมืองไทยเราค่อนข้างสับสนคือเราเราเราแยกไปออกว่าอะไรมันเป็นอะไรอย่างโทษหนักของพระนี่ที่จริงก็ศีลสี่ข้อแรกในศีลศีลศห้า น, น, น, นั่นแหละแต่มันแต่มันลึกซึ้งขึ้นไปนะะ มกยวาม่าค่าค่าสาัตว์ก็คือค่าคนตายในประราชิกลักทรัพย์ก็ตั้งแต่ห้ามาส่งขึ้นไปเรื่องออกามเมก็ไม่ใช่ทั้งการเม อ, อะไรนะฮะคือเกี่ยวกับมีสัมพันธ์ทางเพศก็ปรับประราชิค่าแต่โกหกนั้นเอาระดับอุตริมนุษยธรรมซึ่งเราจเห็นว่าสามอย่างเนี่ยการฆ่าการลักการอวดเนี่ยมันมันก็ต้องกรืนสังคม คนอื่นเดือดร้อนเยอะแยะแต่เพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันไม่เป็นอัจฉรกรรมข้างนอกบ้านมันเป็นเรื่องของคนรักษาศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปเขาสมัครใจจะรักษาก็รักษาได้เขาก็รักษาได้รักษาไม่ได้เขาก็รับบาปก็เองไงเขาผิดเขาคนเดียวนะมันไม่มีใครเดือดร้อนอะ่ะแต่เราเข้มงวดเอาตรงนี้เอาเป็เราตายกันนะตรงนี้โดยไม่นึกว่าศีลข้อปานาเนี่ย เราชวนกันไปฆ่าคนสมมุติว่าพระไปสักฆ่าร้อยรูปฆ่าคนตายคนเดียวประราชิกหมดทั้งหนะ้าร้อยแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็เป็นอยู่รูปเดีวยวตันเองนะ่ยคนอื่นไม่เกี่ยวเลยใครเป็นคนนั้นก็เป็นนะคนอื่นไม่เกี่ยวเลยลักทรัพก็เหมือนกันนะชวนกันไปห้าร้อยักทรัพย์มาได้ห้ามาสกเป็นปรราชิกหมดทั้งห้าร้อยเลยอวดอุตริมรุษซองก็เหมือนกันถ้าอวดร่วมกันหรือสนับสนุนกันก็ไปด้วยกัน บาปหนักเลยจรมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงโ น, โน้นแล้วนะะตรงโน้นมันก็ตกนรกเฉพาะคนนั้นเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยแต่เราก็หาเรื่องเราก็าไปเกี่ยวท า, ทางที่เราก็ปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นท่านจึงสอนว่าต้องงดเว้นจากการใช้คนอื่นด้วยสำรวจระวังลึกลงไปถึงใจนงดเว้นจากการใช้คนอื่น แต่ไม่ใช้คนอื่นเนี่ยเพราะว่าการคุมทั้งหมดเนี่ยมันมันมันต้องถึงใจอะ่ะพูดง่ายว่าต้องถึงใจเพราะศีลไม่ต้องเกิดขึ้นมาจากเจตนาหมายความต้องเกิดขึ้นมาจากใจใจต้องเจตนางดเว้นใจต้องเจตนาสํารวมใจต้องเจตนาระวังใจนั้นเจ้าตนเป็นปกติไม่มีแม้แต่ความชื่นชมดีๆในผู้ฆ่าและการฆ่า ระดับพินัเนี่ยคือเขาจึงห้ามพระไม่ให้ไปในกองทัพไม่ไปชื่นชมยินดีกับ ก, กองทัพสมมติว่ า, วาเวลาเนี้ยบางทีทหารคนไทยเราก็ไปให้พระไปพ ร, ปพรมน้มนต์ให้พรมก็พรมฮะคือเราจะพูดเรื่องรบเรื่องบไม่ไม่พูดขอให้พร่ำน้ำมนต์ให้กับพร่ำไปเรื่อยๆอย่างนี้เองก็ห้ามพูดเรื่องอื่นเพราะพูดเหมือนกระชายเขาไปฆ่าน ะ, ะเราประราชิกนะยุ่งไม่ได้ยุ่งยากมากเลย แล้วก็ไปดูไปอยูในกองทัพก็ไม่ได้ไปดูเคารพกันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจมันอาจจะเกิดมันขึ้นมาเกิดมันก็เอาเอามันเลยเอามันเลยเกิดเชียร์มันก็เชียร์มวยนะก็แสดงว่าใจมันมีปัททุสจิตใจไม่สงบมันมีโทสะมันแบ่งเป็นเราเป็นเขานะเมื่อก็ดูมวยนะฮะกุจะเห็นว่ากิเลสไม่เกิดขึ้นวันก่อนนี้มีมีคนก็โทรศัพท์มาถามเรื่องตาลปูตสูตร จริงเามารู้สึกเคยยกตัวอย่างอยูอย่หูฟังทิ้งแล้วแต่มันเรื่องไปเยอะก็ลืมชื่อไปเรื่องตาลาปุตสูตรเนี่ยนายตาลาเนี่ยนายตาลปุตตะเนี่ ย, ยแกเป็นนักเต้นรําแล้วแกบอกว่าแกทําบุญเพราะให้ความเพลิดเพลินบันเทิงแกนคนอื่นก็ถือเป็นจารีตปฏิบัติมาก็มาถามกราบถุนถามพระพุทธเจ้าว่าได้บุญจริงหรือเปล่านักร้องนักเต้นรํานักแสดงทั้งหลายได้บุญจริงหรือเปล่า ปุจจ ա วะอย่าถามเลยเธอไม่ต้องการจะตอบเดี๋ยวเธอจะเสียใจขอร้องอ้อนวอนนะขอให้ตอบพุจจ ա วบอกมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ขึ้นสวรรค์หรอกตกนรกเนี่ยตกนรกเพราะอะไรเพราะว่าคนเขาไม่มีราคะนะคุณไปแสดงกระตุน้นจนเขาเกิดราคะเลยก็มีโลภคุณแสดงกระตุน้นจนเขาเกิดโลภก็มีโทสะคุณแสดงกระตุน้นจนเขาเกิดโทสะ มันมีลักษณะยั่วยุยูย่คนอื่นให้เพิ่มกิเลสขึน้นแทนที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจเพื่อจางเบบางลงไปไม่เพิ่มกิเลสให้แก่้าบ้านเขาก็ลองดูสิเวลาไปดูการแสดงแสดงอะไรไม่ไม่เป็นผู้เป็นคนเลยนะบก ม, มันมันก็จริงมันก็ดูมวยนะต่อยมวยต่อะไรในคนมันก็จริงๆมีอาการหนักแนสะดงว่าเกิดหมดในโลภะโทสะโมหะมันเกิดหมดเป็นความคิดนะฮะแต่ก็เป็นบาป เพราะบาปท้จริงมันอยู่ที่จิตตรงนี้ก็ต้องอดเบนจากการยกย่องสรรเสริญคนกระทําเช่นนั้นคนที่ฆ่าคนอื่นคนที่รักทรัพย์คนอื่นคนที่ประพฤติผิดในกามเนี่ยไม่ยกย่องแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปตําหนิเขาเนีะไม่เรื่องของเขาอะถ้าเราตําหนิเนี่ยหมายความว่าคนที่เราอยู่ในกรอบ อยากให้ลองสังเกตเดี๋ยมาบอกเนีย่ยว่าพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิชาวบ้านนะไม่ไม่ดุชาวบ้านเลยเพราะอะไรเพราะชาวบ้านนั้นเขาก็เป็นศรัทธากันเขาอ่ะอย่างเนี้ยอย่างอย่างที่เล่าตะกิ้พูดกับนางวิสาขาเนเอยวิสาขาถ้าเธอคิดอย่างนั้นแล้วเธอก็ต้องร้องไห้ทุกวันนะ่ยก็ไม่ได้ไปดุไม่ได้ไปตําหนิแต่พระไม่ได้เลยถ้าพระถ้าพระภิกษุภิกษุกษัตริย์มณเนะฮะภิกษุณีกษัตริย์ิขามานาตํามเ น, นดีก็ไม่ดุเหมือนกัน ให้ดุเหมือนกันก็ดุดุผ่านพระไปไม่ดุตรงตรงถ้าดุก็ดูสั่งพระไปวันคนที่ถูกดุจริงๆคือพระนี่หนักกว่าเพื่อนเลยเนรก็ไม่เคยดุนะเนร์นก็ถือว่าเด็กไม่เคยดุเท่าไหร่แ ล, ล้วก็พระนี่ดุเวลามีปัญหาแล้วก็ดุแรง เราจะเราจะตำหนิในวงจํากัดที่บอกว่าจะข่มควนในควมคว ม, วมยกย่องคนในคนยกย่องนั้นที่จริงเราต้องแก้ปัญหาได้จากการขม่ข ม, ขมาการยกย่องไม่ใช่นึกจะด่าเขาได้ไดทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ไม่ได้แก้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรอะ่ะเพราะเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็เพิ่มความกดมัวเส้มองขึ้นไปใน ใ, นใจวพวกเราทําเฉพาะในเรื่องที่เราทําได้ จนถึงจิตใจไม่ชื่นชมยินดีกับการฆ่ากับการลักหรือสิ่งที่ได้มาจากการฆ่าจากการลักและการประพฤติผิดในทางรบรเวณนี้ไม่ชื่นชมยินดีกับเรื่องเหล่า น, นั้นนี่ก็แสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงใจในรื่องวาจาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือสารวมระมัดระวังวาจา เป็นการพูดที่งดเว้นการเบียดเบียนตนเองเช่นเพอเจอร์เนี่ยท่านจะเห็นว่าเบียดเบียนตัวเองเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้อะไรเกิดมาโกหกนั้นเบียดเบียนท้งตนเองและคนอื่นคำหยาบก็เบียดเบียนทางตนเองและบุคคลอื่นยุโยงให้เกิดความแตกแยกก็เบียดเบียนทางตั้งตนเองและคนอื่นแต่เพอเจอร์ถ้าพูดให้คนอื่นฟังก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยนะคนอื่นก็เสียเวลาด้วย เพราะก็ส่งสอนให้สำรวมระวังไม่พูดในลักษณะนั้นในขณะเดียวกันก็ไม่ยกย่องคนที่พูดอย่างนั้นหรือไม่ใช่คนอื่นพูดอย่างนั้นไม่ใช่คนอื่นพูดอย่างนั้นก่อนแล้วก็ไม่ยกย่องคนอื่นที่พูดอย่างนั้นจนถึงกับใจไม่คิดที่จะพูดเช่นนั้นไม่ไม่มีแม้แต่ความคิดนะ ไม่ถึงก็หมดกิเลสแต่เราพูดพูดระดับสำรวมนะพูดระดับสัรวมระวังหมายความมาค่มใจห้ามใจกั้นใจไว้ได้แม้อยากจะทำอยากจะพูดก็ไม่ทำไม่พูดแล้วความสำรวมนั้นมาเข้าถึงใจเข้าถึงใจก็คือคุมความโลภไปได้ แล้วความโลภนั้นจางไปคลายไปบรรเทาไปอย่างน้อยที่สุดระดับกุศลกบฏนี่ท่านก็พูดระดับที่ว่าไม่ถึงก็โลภอยากได้ของของคนอื่นอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจอาจจะรำคาญอาจจะหงุดหงิดอยู่บ้างแต่อย่าถึงกับอาฆาตพยาบาทแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ รักษาความเป็นสมาธิิไว้สมาธิินั้นอย่างที่เคยเร า, เ, ราเจอบ่อยนะธรรมะเนี่ยเราเจะเห็นว่าสมาธิิบางระดับเนี่ยอาศัยความเชื่อเป็นฐานสมาธิิระดับจริงๆเนี่ยใช้ปัญญาเป็นฐานแต่เนื่องจากเรามีปัญญาไม่พอที่จะอย่างรู้ได้ทั้งหมด คนที่สัมมาทิฏฐิเป็นหลักจริงๆได้ก็ตั้งแต่ปัศดาบันขึ้นไปเรียกว่าทิฐิสัมปันนะคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นปัศดาบันนั้นไม่เพี้ยนนะฮะความเห็นท่านจะไม่แกวงนะ้งเลยไม่ว่าจะเอาอะไรมาล่อมาขู่จะฆ่าให้ตายอะไรก็ได้นะใจท่านจะไม่เพี้ยนจะไม่แกวง้งไปไปสู่กระแสของมิจฉาทิฐิเรียกว่าพ้น พูดถึงกระแสของมณิผานล้นพ้นจากกระแสของมิจฉาทิฐิแต่ว่าสามัญชนนั้นอย่าไปอย่าไปวางใจนะฮะอย่าไปวางใจว่าก็มมันใจได้แล้วเพราะลักษณะของมิจฉาทิฐิเนี่ยยังแนวที่พระสงดาบบรรละได้ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าสังโยชน์สามข้อข้างต้นเนี่ะนะ จริงก็เกิดมาจากมิจฉาทิฏฐิภูมโมหะสกายทิฏฐิความเห็นเป็นเอกือตัวถือตนมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาถ้ายังมีอยู่นะฮะเร่งแรงก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิจนถึงกับที่มันคิดแรง ฆ่ากันตายไม่บาปนะฆ่ากันตายไม่บาปเนี่ไอ้เร่องที่จริงมันดิ่งไปอีกด้านหนึ่งถือไม่มีตัวตนคือไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนตัวตนเฉพาะจิตนะตัวร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวเจตนเลยฆ่าได้มันเป็นวัตถุตอนนั้นเองอันนี้ก็เป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแนวหนึ่งที่เราเรียกว่านัตถิกาทิฏฐิคือไม่มีมีแล้วก็ฆ่ากันได้ดังนั้นก็สอนให้ สำรวมระวังอย่าให้จิตตกไปสู่กระแสสรงนทีนี้ในตอนที่สองเนี่ยในตอนที่สองจะเน้นไปที่การทาบุญหมายความว่าพรามพรามรามแก่ชุดที่สองนะฮะประสุทธที่สองนี่จะเด้นไปทีการทำบุญแล้วแต่ว่าสรุปเหมือนกันเน้นเว่าการทําบุญและการสำรวมระวัง คำว่าบุญนั้นเป็นเป็นส่วนเหตุอะไรก็ได้ที่มันลดละ ก, กิเลสลงไปได้เราจะเห็นว่าท่านจาแนกบุญออกไปเป็นสิบประเภทด้วยกันแต่บุญหลักจริงๆคือทานศีลภาวนานะฮะทานศีลม า, าก็คือตัวตัวหลักเพราะกิเลสมันโลภโกรธหลงทานศีล น, นาทานก็แก้โลภนะฮะจีนก็แก้โกรธไอ้นั่นก็แก้หลง ศีนก็หนักไปทางแก้โลภเลครับแล้วก็ภาวนาก็แก้แก้โกะแก้แกลงแต่ว่าในความเป็นศีนเป็นภาวนานั้นยังสามารถกระจายออกไปได้ที่เราที่เราพูดพูดมาทั้งหมดท่านจะเห็นว่าเป็นทานกับเป็นศีนเป็นทานกับเป็นศีนเป็นภาวนาบางระดับ แต่ในประเด็นที่ผิกย่อยออกไปเช่นเช่นเช่นอภิญญาณใหม่การมีสมาคารวะต่อคนทั้งหลายมันลดมานะคือเราเห็นตัวลดนะฮะลดกิเลสคือลดตัวมานะความถือตัวความกระด้างเห็นคนบางคนถือว่าฉันมีความรู้สูงอันนี้คนแก่ไม่เกี่ยวฉันมีความรู้สูงกว่าอันนี้ไม่ได้ แต่ยังไงเนี่ยเราเราเราเรามีเหนือกันอยู่นะฮะยังว่าพระกับชาวบ้านเนี่ยนะฮะพระอาจจะอยู่ในเพศสูงกว่าแต่โยมคนก็แก่กว่าโยมคนก็แก่กว่าแต่ว่าการอดน้อม น, น, นั้นไม่ไม่ได้มองแนวนั้นมองในการลดกิเลสคาระโวจะนีวาตัวจะนะฮะในในมงคลสูตรหมายความว่ามองในแก่ชาติทิววุฒ ก็จเจริญมาโดยชาติวายวุฒิก็จเจริญโดยวัยคุณวุฒิเจริญด้วยคุณความดีแล้วในศักศีของความเป็นคนของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งกว่านั้นในศักศีของความเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างที่เคยเล่าว่าสมเด็จพพุทธาจย์ท่านเดินสมเด็จพพุทธาจา้าโตนะฮะท่านเดินข้ามสุนัขท่านไม่ข้ามนะฮะกับสุนัขเดินไม่ข้าม ไอ้ไอ้ไอมดบวกคงข้ามนะนะสัตว์ที่ไม่เห็นตัวก็คงแก้ข้ามแต่ว่าสั ต, ตว์โตๆนี่ท่านไม่ข้ามทันตากิวอนไวจิวรหล่นหนมาไปนอนท่านนั่งคอยหมาลุกขึ้นเจ้าจีวรหอบไปบินตาบัดก็ถามมาทำไมท่านไม่ข้ามท่านบอกไม่แน่นะหมานี่อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์หลีกชาติมาเกิดก็ได้ คือนึกถึงถึงถึงว่ามันไม่แน่นะฮะอาจจะอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติอะไรตะเ ร, ก, รกันเราก็ได้อย่างที่เคยเคยเล่าถึงถึงตยโยชนคนสามกลุ่มนานมาแล้วน ะ, ะท่านทั้งหลายคงนึกอยที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีหมาตามีตลอดเลยแล้วแกโกรธแกไอหมาแกูกเรียกผ่านดูนักแกฆ่าตายเลย มาตายไปเกิดเป็นโคโคก็ตามอีกอะ่ะตามแลวแกโกคแกฆ่าโคสิอีกแล้วต่อมาแกก็ถูกถูกจับโยนน้ำมานะถูกจับโนน้ำพีเจ้าเล่าอะไที่จริงที่เป็นหมาก็ดีเป็นโคก็ดีเนี่ยอดีตนั้นเคยเป็นสามีสามีของผู้หญิงคนนั้นมันมีความผูกพันอยู่ดีใจ วันอันนีค้คือแสดงว่าสมเด็จรู้ตาจา่าในท่านคิดลึกซึ้งมากขนาดหมานี่ก็ไม่แน่พระพุทธเจ้าก็เคยเป็นสุนัขนะเคยพระโพธิสัตว์ก็เคยเกิดออกเป็นสุนัขเหมือนกันในการให้ความเคารพอย่างที่รับสั่งสอนพระหมหากแบบาระปะแปลวสวัสดิ์ท่านเป็นผู้เท่านะแก่กว่าพระพุทธเจ้าออกบวชก็แก่กว่านะคนแก่ในมีปัญหา มีปัญหาที่มาน้าวชันแก่กว่าในเรื่องใหญ่เลยภูเขาเลยเด็กวันซืนเด็กวันซื่อใ น, นพระในกลัวนักนะพระกลัวนะคนแก่บวดกลัวนักกันกูจะพูดกันไม่รู้เรื่องก็รับสั่งวาดูก่อนกันสปะรับสั่งโดยโอวาทสามข้อนะฮะโอวาทสามข้อ กาจะปะเธอพึงเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงไว้ในภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นปั่นกลางทั้งที่เป็นผู้เท่าอย่างแรงกลาง้จาจะฟังธรรมอันใดก็ต้องเยี่ยวเยี่ยหูตรงฟังธรรมนั้นแล้วก็พิจารณาขอ้อความธรรมนั้นแดีวก็มีสติระลึกถึงกายยากตาสติเห็นไม้มสอนคนแก่ ลดมานะคือความการะด้างให้มีความอ่อนน้อมคนแก่ฟังอะไรไม่ค่อยถนัดต้องตั้งใจฟังเงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความพิจารณาข้อความให้ดีแต่มีสติเป็นไปในกายแล้วลึกถึงความตายลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตเอาไว้มันเหมาะสมเหมาะสมแก่การคิดตัว น, นี้ก็คือสอนให้เรามีความอ่อนน้อม ลดมานะลดความก่าด้างลดความถือตัวพร้อมที่จะพนมมือต่อคนทั้งหลายแล้วก็เป็นบุญนะฮะเพราะว่าขัดเกลามานะได้มานะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะขัดเกลายากมากเลยคนเราอัตราเยอะเลยอัตราเป็นใหญ่มหาศาลแต่การที่ท่านลดลงไปอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าก็เป็นบุญเบยาวะจามช่วยเหลือขวนขวายกันในกิจการงาน ที่เหมาะทีค่ควรข่าวหนังสือพิมพ์ที่ปล้นเอที่ป้นรถเมนะฮะที่ตีโดยไม่น้าสามจงนึกว่าโออภาพเนี่ย ม, มันเรื่องน่ากลัวสังคมคนเรายิ่งมากก็ น, นึกถึงตัวเองมากขึ้นไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นผู้เจ้าทรงแสดงว่าอาสวัตฐานิยตา ม, มันเกิดคนมากเนี่ยเพราะคนมากแล้วมันเกิดปัญหา ว่าที่จริงในในรถเมยนะ่ะมันไม่ใช่คล่องตัวอะไรจะไปตีคนนะถ้าผู้ชายลุกขึ้นสองคนบล็อกเอาได้เลยสบายมากๆไม่มีใครช่วยเลยมันเป็นเรื่องแปลกมากบนรถเมย์นะรถเมย์กำมังวิ่งอยู่นี่ไอคนที่อยู่ข้างหน้าอาจจะกลัวไม้แต่คนอยู่ข้างหลังเนะี่ยมันน่าจะทำอะไรได้ อย่างไม่มีอะไรก็ถีบข้างหลังในถีบที่เข่ามันงอลไปก็จับมือไพร่หลังเอาไว้ยังได้ไม่มีใครคนวิ่งหนีหมดใน้ี่เป็นแปลกมากเลยเป็นภาพที่แปลกมากนั่นคือแสดงว่าเราขาดน้ำใจลงไปเยอะเลยตรงนี้ที่จริงมันช่วยขวนช่วยเหลือขวนขวายนะฮะในกีดที่ชอบทำหน้าที่ของพลเมืองดี มันอาจจะไอเสียงที่จริงไม่ค่อยเสียงเท่าไรนะให้ภาพอย่างนั้นเนะ่ยก็เสียงไม่ค่อยมากอนะะไรเท่าไรเสียงก็เสียงเน่ะปรากฏว่ามีกระเป๋าซึ่งเป็นผู้หญิงที่เดือดร้อนอยู่คนเดียวน่าเอ็นดูมากเลยวัยยาวัชเมย์ที่จริงมันมันอะไรก็ได้นะะที่เราแสดงความมีน้ําใจมีอัธาายาศัยไม่ทิ้งขยะลงบนกลางถนน มันก็เป็นบุญแล้ววิญาณจะใหม่มันทําง่ายๆไม่เพิ่มปัญหาก็เป็นบุญเนี่ยนะฮะไม่เพิ่มปัญหาก็เป็นบุญนะลดปัญหาต่างๆลงไปโดยไม่เพิ่มขึ้นก็เป็นบุญเ ป, เ, เป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบง่ายๆมากๆาวิญาจะใหเนี่ยช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่เหมาะที่ควมที่ถูกต้องอะไรก็ตามเราก็ช่วยเหลือแสดงความมีน้ําใจ แล้วก็การฟังเทศการฟังธรรมะก็เรียกวธรรมเทศนาใหม่เอะธรรมสวนามหม่การฟังธรร ม, กา ร, รรมการฟังธรรมที่จริงอ่านก็ได้นะความวิทยุก็ได้ความจับโทรทัศน์ก็ได้ยิ่งมาฟังอย่างนี้ก็แสดงว่ามีกุศลแลเจตนามากเ้าก็เห็นเห็นได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง สิ่งไดทีด่เคยฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดมันเท่าความสงสัยจะได้ทำความเมตต้ถูกต้องจิตจะผ่องสายขึ้นถ้าฟังอย่างมีสมาธิมันก็เห็นอานิสงส์เห็นเป็นบุญที่ว่ากิเลสมันลดนะ น, นะฮะกิเลสลดก็เป็นบุญธรรมะเพิ่มก็เป็นบุญที่จริงกิเลสลดธรรมะก็เพิ่มมันก็สูตรธรรมนาใกล้ๆก แก่ก็ร้อนลดเย็นมันก็เพิ่มอะจะพูดหรือไม่พูดมันก็เหมือนกันธรรมเทศนาใหม่การแสดงธรรมในขณะที่แสดงเนี่ยโมหะมันต้องลดลงไปนะฮะไม่งั้นก็แสดงไม่ได้ความโกรธความอะไรต่ออะไรต้องลดลงไปก็แสดงว่าใจต้องสะอาดขึ้นใจต้องมีเมตตากุณาสูงขึ้น สามารถพูดได้แสดงได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการอุทิศส่วนกุศลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทมของเราเป็นสการแสดงความมีน้ำใจและมาอย่างชอบว่ามั น, มนแนวโบราณนะเวลาก็ไปไหนมาไหนไปทอดปลาป่ามาทอดกระทินมาไปทำบุญมาไปบวชนาคมาแล้วแต่อะไรนี่ ราพส่วนบุญด้วยคนที่อยู่ได้ยินก็ยกมือท่วมหัวอนโมทนาสาธุมันมีมุติตาจิตไม่ลงทุนอะไรแต่ว่าจิตมันมีมุติตามันฝึกก็มีมุติตาหัดก็มีมุติตาอันนี้ก็คืออุทิศ ส, ส่วนบุญแล้วก็ให้ส่วนบุญก็ไม่ได้จ่ายอะไรนะจริงๆไม่ได้จ่ายอะไร แต่แสดงถึงจิตมันได้ขจัดธรร ม, มะมัจฉิยะวัณณมัจฉิยะคือจะนีความดีสนี่ธรร ม, มะออกไปแล้วก็มาถึงทิฏฐิชุกรมก็มทำความเหีนดให้ตรงทรงแสดงว่าบุญเนี้ยจะเป็นที่พึงบุญส่วนผลก็คือความสุข เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าตรงใช้กรรมโลกหน้าระสอนคนแก่นะก็จะพึ่งอะไรในชีวิตปัจจุบันท่านอายุตั้งร้อยี่สิบแล้วในคงคงจะพึ่งอะไรไม่ได้เท่าไหร่เพราะจะทําในแนวที่เรียกว่าอนุามณีคือติดตัวไปเป็นรูปการเสบียงเป็นเกาะบางครั้งตรงใชก้กรรมสเสบียงบางครั้งตรงใชก้กรรมเกาะ ที่พึ่งอำนักบางทีใชก้กรรมว่ายานก็นแล้วแต่นะให้เป็นภาพอิงอาศัยได้เป็นที่พึ่งอาศัยยังไงเป็นที่พึ่งอาศัยคือให้ความสุขใจแล้วก็บุญญาณุภาพหรืออนุภาพแห่งบุญี่ที่จริงก็คุ้มครองขอให้ทำจริงนะฮะบุญก็จะคุ้มครองรักษาท่้นหลายลองสังเกตว่าเงินทองที่เราได้มาด้วยความสุจริตไม่ค่อยหายไปง่าย ปมันหายไปง่ายๆมันรู้สึกมันได้มันง่ายๆก็ได้ ไ, ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องดึงสิ่งดีๆออกไปให้หายตามไปด้วยก็เรียกว่าอะไตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม้ไหมโบราณก็เรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมบุญ น, นั้นไม่สาธารณะทั่วไปแก่ใคราสาธาระมันเยสังคือไม่สาธารณะทั่วไปแก่ใครมันก็เหมือนเรื่องอื่นนะฮะที่จริงอ่ะ เหมือนกับเรากินข้าวอะ่ะเราก็อิ่มก็เราคนเดียวเราอาบน้ำเราก็สะอาดก็เราคนเดียวใครต้องการอิ่มก็กินเอาใครต้องการสะอาดก็อาบเปามันเป็นเรื่องเฉพาะคนเพราะบุญมันจะมีลักษณะอย่างนั้นมันไม่เหมือนกับทรพัพย์ทั่วไปเพราะว่าทรัพย์เหล่าอื่นที่ท่านใช้คำว่าโลคีทรัพย์นสาธารณะอันตรายจากโจรภัยจากอัคีภัยจากอุทกภัยจากวาตวภัยจากญาติมิตรที่ไม่ซื่อตรง จากโจรจากขาโมยอุตสาหพัฒนในปัจจุบันนี่แม้แต่รองเท้าที่มาจอดมาฟังเทพมันที่ก็หายน่าเจ็บใจนะฮะวัดนี่ระวังรองเท้าหายนี่น่าสลดใจมากเลยแต่มันจำเป็นต้องเขียนไว้ไม่างนั้นโยมก็ไม่ได้มารบมรัดระไม่ระมัด ร, ระวังทังที่จริงก็น่าจะมีจะมีเว้นบ้างแคนก็นยังก็ยังว่าโลกอะคนะ่ะ ก็เป็นธรรมดาของคนอย่างนั้นเราเพียงแต่เรามาัระวังเท่านั้นเองแล้วก็ในส่วนที่เป็นอนุคามินีคือติดตามติดตามเราไปเนี่ยท่าเหว่ามันก็ตามไปในรูปของของชนุ ก, กรรมคือนำไปบังเกิด ถ้าว่าจิตเรามีบุญกุศลเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวก่อนดับจิตมันก็กลายเป็นชนกกรรมคือนำไปบังเกิดในสุกติในภพที่มีความประนีตซึ่งจุดนี้เป็นจุดใหญ่ถ้าเรามองในกระแสของกรรมที่ท่านจำแนกแสดงเอาไว้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมสิบสองนะฮนะเราจะเห็นว่า การก่อนดับจิตเนี่ยจิตที่ผ่องแผ้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะตัวจิตผ่องแผ้วรู้สึกจะเป็นทุกจุดของของทุกเรื่องแม้แต่มรรคผลนิพพาน น, นะฮะอยู่ที่จิตผ่องแผ้วแต่ผ่องแผ้วระดับมรรคผลนิพพานกระดับการไปเกิดมรนคระดับกันนะทันั้นเองทายังไงจึงจะเป็นนิสยัยคือคุ้นเคยเขาเรียกว่าคุ้นเคย เมื่อวานนียเจ้าจประคุณสมเด็จถวายพระธรรมเทศนาที่พระที่นั่งไปสารทักษิณเราพูดเรื่องบุญวายาดุมินบุญเนะ่มีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเดี๋ยวไเปเรื่อ ง, องการสะสมเมืองก็ฝนตกมาทีละหยาดทีละหยาดทำพระราชนะาที่รองรับให้เต็มได้จิตใจของเราที่สะสมบุญเอาไว้ในสุดมันจะเต็มด้วยบุญ ผลบุญนี่ท่านท่า น, านรู้จ้าสอนว่าอย่าดุมมินอย่าดุมมินาบุญนี่มันมีประมาณน้อยแต่จะมาผลไห้ทาไปเรื่อยๆผ ม, ม, มันต้องทำเป็นลักษณะนิสัยเพราะไม่งั้นฐานใจมันมันไม่แข็งพออย่างที่ที่อะไรอะที่คนที่สุพรรณที่เป็นกุ้ักวยก็มวยก็มยควายได้ก็ เ, เล่า แกก็โมยควายมาฆ่าเลยนะต่อมามันไปโดนระเบิดโชคหมดทั้งตัวเลยมันมันเปื่อยหมดทั้งตัวเลยแล้วก็เพื่อนบอกบอกบอกให้บอกให้เราลึกถึงพระนะฮะบอกให้ลึกถึงพระมนเราลึกไม่ได้มนเห็นเด็กวายนะนี่ เห็นดตกควายแล้ในสุดมันก็ตายไปทุกเวทนาบางทีก็ฟังฟังพระอรหังเป็นอะไรหายอันนี้ก็บอกว่าเป็นพระอรหังแกฟังเป็นว่าคนอะไรมีเขาก็แค่เห็นดตกควายแต่นั้นไม่เห็นมีคนเน่คนอะไรมีเขาแกฟังเป็นโน้นนะหูมันไม่คุณน่ะใจมันไม่คุณเพราะมันเสพคุณ จนท่านบอกว่าเสพจนคุ้นคือเป็นลักษณะนิสัยธรรมะเวลาพูดในในภาคปฏิบัติเนี่ยท่านพูดว่ามีมันก็เหมือนก็มีความรู้มีฝีมือมีความสามารถมีความชานาญน่ยท่านเด็นมันอยู่กับเราตลอดเลยอยู่ตรงไหนไม่เห็นรูปร่างมันหรอกแต่เราก็ทําได้ทุกเที่เรื่องที่เรารู้เรื่องเราทํานาญเนี่ยนะเหมือนความรู้ในการปรุงอาหารท่านก็ปรุงได้ทั่วประเทศทั่วโลก เพราะว่าท่านมีอยู่กับกับก จ, จิตใจของท่านแต่ถามดูรูปร่างก็ดูไม่ได้ก็เรียกว่าบุญเนี่ยก็ท่านบอกว่าต้องให้มีทีนี้มีมันก็ติดตามเป็นอนุขาไม่นี่ก็ติดตามไปเป็นชนก ก, กรรมคือนำไปเกิดในกำเนิดต่างๆตามตามบุญที่เรากระทำเอาไว้แต่ว่าในชีวิตของคนเนี่ยมันมันเป็นกระแสบุญบาปเนี่ย เราก็ทําทั้งบุญทั้งบาปนะฮะว่าอะไรมันมากกว่ากันถ้าเราทําความดีไว้มากแล้วก็ก่อนดับจิตจิตเป็นเหนี่ยวความดีได้เป็นกรรมมารมเราก็ไปบังเกิดในกติภพที่ดีได้แล้วกรรมดีนั้นก็ข้าสนับสนุนจุนเจือที่เรียกว่าอุปธรรมว่ากรรมกรรมดีก็ข้าสนับสนุน ชีวิตก็มีความเจริญนุ่งเรืองไปได้ถ้ามีความดีมากนะฮะถ้ามีความดีมากมันก็เป็นคนประเภทที่เรียกว่าสว่างมาสว่างไปเห็นไหมมันก็สอดรับกันไปหมดเลยเป็นพวกประเภทสว่างมาสว่างไปจิตใจนั้นมีความยินดีในบุญเมื่อเกิดมามเป็นคนลักษณะสายลักษณะนิสัยโน้มเอียงไปทางบุญทางกุศลสนใจการไหวพระสวดมนต์การทําบุญทําทานอย่างเด็ก เด็กๆเราจะเห็นว่าบางคนอยากทําบุญตักบาทอยากไหว้พระอยากสวดน้ำโมอะไรแต์ไรไม่มีลักษณะนิสัยบางคนนี้จับมือไหว้พระยังไม่ไหว้ร้องไห้เลยอาการหนักมากบางคนนี่เห็นแล้วยกมือไหว้เลยยังเนี่ยเดินเดินสวนกับเด็กที่วัดนเนี่ยตัวเห็นเลยบางคนพ่อแม่ไม่ต้องบอกแกเห็นแกไหว้อย่างไกลเลยบางคนจับมือไอ้ไหว้ยังไม่ไหวเลยนั่นแสดงว่าลักษณะนิสัยเขามีอยู่ในจิตใจของเขา ก็บุญนั้นอยู่ภายในใจในกรรมพวกเหล่านีออ้แสดงว่าบุญที่เป็นกุศลแลเข้าประธรรมก็กลายเป็นชีวิตประเภทที่เรียกว่าสว่างมาและสว่างไปบางทีเราก็ทําบาปทําอกุศลไปแยะตายแล้วไปเกิดไม่ดีพอเกิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันมีกรรมไม่ดีตามมาให้ผลไปเลยก็ลกลายเป็นคนประเภทมืดมาแล้วก็มืดไป ทีนี้คนบางคนอาจจะเกิดมาด้วยอกุศลกรรมแต่ว่ามันมีกุศลกรรมตามมาทันมาเป็นก็เรียกว่าอุปปีติกรรมคือเบียนผลของความชั่วให้ลดน้อยลงหรือถ้าเขามีกำลังมากเลยก็จะให้ผลเสีเองเดี๋ยวบางทีลูกออชาวนาลูกชาวสวนลูกคนยากคนจนเนี่ยเอาไปคนร่ำรวยคนดีๆเอาไปอุปถัมภ์บำรุงสนับสนุน มันก็ไปริบๆไปเลยอันนี้ก็สแสดงว่าบุญกุศลได้เข้ามาสนับสนุนเป็นอุปฆาตกรรมคือมาตัดกระแสะของอกุศลแกรรมแล้วก็ให้ผลเสียเองกลายเป็นคนประเภทที่เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปแต่ทีนี้บางคนมันก็ มีบุญมีกุศลระดับหนึ่งแต่ว่าบาปกุศลตามมาทันด้วยหรือว่าปัจจุบันนั้นตนยินดีในบาปด้วยก็บาปก็เข้ามาเบียดมาตัด ก, ก็กลายเป็นคนประเภทที่เรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปก็กลายไปไปสอดรับกับชีวิตในปัจจุบันอีกสี่ตอนคนบุญจึงเป็นสิ่งที่นำสุขมาให้แล้วการทำบุญก็ต้องเห็นตัวบุญที่ใจเกิดูที่ใจ โือการจางไปคลายไปลดตรงปของกิเลสบางทีท่านนันท่านานั่ น, นสอนในลักษณะคุมคุมขนาจิตท่านจะเห็นว่าแนวทานที่ทรงวางไว้สามจังหวะเนี่ยในความคุณภาพจิตมันตกหรือเปล่าก่อนจะให้เรียกว่าปุาพพากิจตนาก่อนจะให้ก็มีเจตนาดีมีตัฐามีภาษาธาตุดี กำลังให้ก็มีความชื่นชมยินดีในการให้ยินดีในผู้รับและในสิ่งที่เราให้แต่ว่าตรงนี้ที่จริงมันช่วงสั้นๆปัญหาสำคัญอยู่ที่อ ป, ปราประเจตนนาคือหลังจากให้ไปแล้วใจเราเหนียวนึกด้วยความเสียดายด้วยความขุ่นมัวเศร้าหมองหรือเปล่า คือบางทีเนี่ยเราเราไม่ค่อยแบ่งแยกตอนนี้มีมีเรื่องเป็นปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งมาจากจังหวัดไกล้ๆเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ามาเป็นคนเวรกรรมอะไรมัน ม, มีปัญหาอะไรโยมมาฟ้องอุตรุษเลยมาฟ้องมาหาเดินขบวนมาเราบอกโยมาม า, ม า, มาไม่มีตําแหน่งหน้าที่อะไรไม่นึกถึงใครนึกถึงแต่ท่านโยคุณนั่นเองเอามานะมาก็มา ตอนนี้ก็วังมาสองเรื่องจังหวัดลบบุรีกับสุพรรณบุรีอะไรไม่รู้ยุ่งเนี่ยตั้งแต่รุ่นปู่นะฮะเขาถวายนาฬิกาวัดเอาไว้แล้วต่อปรากฏว่าสมภารเอาไปอะไรไม่รู้จำหมายทำไงกับด้วยเดี๋ยวสุรุ้ในกาหายไปตอนเนี้ยก็ฟ้องจะเรียกในกาคืน ทำไม่สาเร็จที่จังหวัดก็มาหาแตมาอามาบอกาอามาก็ตัวสาวไปที่จังเจ้ากน้าเขานะฮะก็คุนกันเจ้ากน้าเนี่ยบอกว่าช่วยจัด ก, การเรื่องนี้หน่อยตีบุปผุคือเราต้องการจะให้เขาไปพ้นวัดวเราเราไม่มีอำนาหน้านที่อะไรทํานี่โทรไปสองสามคืนแล้วบอกว่าทางจังหวัดไม่ยอมสอบสวนแกต้องการเอานาคกาคืนบอกโยมคิดดูเจนกามันหายแล้วเนี่ยคืนได้ยังไงแล้วเอานอกาใหม่ได้ไหมเอาเงินได้ไหม ที่จริงเนะ่ยของเขาถวายไปแล้วเราไม่ใช่เราถวายปู่าตายาถวายเราได้บุญไปแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะบุญที่เราได้ไปเรียบร้อยแล้วไปยุ่งให้มันบาปทําไมหรอสมมติสมพางแกไปขายแกก็บาปแกเองเน่ยไปยุ่งทําไมนี่ตกลงมาหาเรื่องอะ่ะฮะถวายแล้วไม่ถวายสร้างบุตริถวายพระแล้วยังเป็นเจ้าเข้าเจ้าของยังเป็น กุฏิของฉันของฉันเดี๋ยวก็ตายเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันมันมันมันมันจบแล้วอ่ะนะเรามันจบไปแล้วเนี่ยเราจบแค่นั้นแล้วเนี่ย mm hmm. เพรา ะ, ะอปาร布拉รารเจตนาเนี่ยต้องรักษาคุณภาพจิตไม่ใช่หัวโอ้ยพระนั้นไม่ให้อยู่พระนี้นให้อยู่มันวัดของวัดอะ่ะเราถวายวัดไปแล้วทีนี้มาเอื้อมมันก็เอื้อมอย่างที่ว่าเนี่ยนะเอาลูกมาฝากให้บวชี่วัดแล้วจะมาเอื้อมมานั่งคุยจะอีกบอกให้พระสอนตัวเองมาสอนตัวเอง เขาสอนเองกัสอนที่บ้านเนี๋ยเอามาันทำไมอะ่ะอาณามาไม่เป็นต้นผานก็แล้วไปเป็นต้นผานวันไหนไม่เอาอพูดกันแต่ก่อนพ่อแม่หน้าอเอาลูกมาบวชจะมานั่งสอนเองนะแต่เช้ามาในยเช้าคุยกับลูกอะ่ะลูกไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้เรียนหนังสือแม่มาสอนตัวเองมานั่งคุยไม่ได้สอนอะไรเราคุยอะ่ะคือไม่ตัดใจมันขาดหน้าที่ของเราก็เสร็จแค่นั้นแล้วตักบาตรเสร็จแล้ว ไม่ต้องไปยุ่งมาท่านฉันหรือไม่ฉันตามไม่ดูด้วยพระฉันไม่ยุ่งทําไมหรอหน้าที่เราแค่ตักบาตรนั้นเองนะฮะเราตักไปเราก็จบแล้วแบ่งให้ถูกว่าตรงไหนเป็นหน้าที่ของเราตรงไหนเป็นหน้าที่ของใครตามไปงั้นแล้วใจจะไม่สงบจะเป็นเจ้ากี้จาการจุ่นจ้านอย่างงี้ย น, นะฮะแล้วในสุดตัวเองจะเดือดร้อนอย่างนางวิสาขาก็ดีนาตบินในการเศรษฐีก็ดีท่านไม่ยุ่งท่านดูแลซ่อมแซมบํารุงรักษาสนับสนุนเท่านั้นเอง เดี๋ยวจะให้ใครอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องของพระท่านไม่เกี่ยวะวิหารกุฏิสุดท่าก็ดูแลส่องแซมรักษาพระเจ็บไข้ไม่สบายท่านก็นดูแลรักษาท่านมีท่านนี้อะมีหน้าที่ทําเฉพาะส่วนนี้เป็นบุญท่านไม่ยุ่งส่วนนี้จะเป็นบาปทานไม่บาปมปนเรื่องของเขามปนเรื่องกรรมของเขาทํายังไงว่าใจเนี่ยมันจะอยู่ตรงตรงอุเบกขาได้แต่เราทําอุเบกขาไม่ได้แล้วจะยุ่งมากเลย รักษาใจไม่ได้รักษาคุณภาพใจไม่ได้สร้างกุติไว้วัดพอดีสมภารเขาเปลี่ยนเราไม่ชอบสมภารตรงนั้นเสียได้กุติเสียด้ยทําไมเราให้วัดไปแล้วมันสมบัติพระศาสนาไม่ใช่สมบัติของของรุ่มพานเนี่ยนะเราก็ตาวายแก่พระพุทธศาสนาเราบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระรัตนตรยัยเราไม่ได้บูชาสมภารเนี่ยนะนั่นคืออัปราราชเจตนาที่เป็นคุณภาพจิต แล้วบางทีเนี่ยตรงเนี้ยทำใมา้จิตเศร้าหมองเกิดเสียดายเห็นที่เคยเล่าพระที่พี่สาวตัดจีวรให้นิมนต์พระมาเย็บจีวกรกันกใหญ่เลี้ยงดูกันแล้วเสร็จแล้วท่านท่านฉันฉลองจตหาพี่สาวมากไว้ยังไงไม่รู้อาหารไม่ย่อยตายเสียดายจีวรยังไม่ได้ห่มดูนี่จีวรผืนเดียวหนูเสียดายไดย้ตายเกิดเป็นเล่นนะ แต่เกิดเป็นเลน่ตายอยู่ในจีวรน่ น, นะเป็ น, ปนก็เรียกสมณบริขฐานคือของพระเนี่ยของพระทั้งหมดพอตายปั๊บแล้วเป็นของวัดทันทีเลยของวัดทันทีเลยไม่มีอะไรที่จะให้คนอื่นก็เรียกสมณบริขฐานสมัยนั้นผ้าขาดแคลนพระต้องการเดวผ้านั้นไปแบ่งกันเป็นทำผ้ากลองน้ำอะไรแต่เนี่ยพอจะเข้าไปตัดเลนร้อง ผูเจ้าก็แต่ยินเสียงด้วยทิปโสตนะฮะก็บอกว่าให้หยุดก่อนค่อยแบ่งก่อนบอครบเจ็ดวันเล่นตายนะฮะเลนตายก็บังเกิดตามตามบุญของพระแล้วก็เราสั่งให้แบ่งนี่เราจะเห็นว่าจิตช่วงหลังเนี่มันเสียมันเกิดไปเสียดายเยดาเรื่องนิดเดียวไม่น่าจะเป็นเรื่องเลย ปเป็นเหนียวนึกเอาแล้วก็จิตมันก็ตกเพราะันบุญจึงจึงต้องไปยันสองตัวหมายความตัวกิเลสนี่ต้องลดแล้วความสุขจะต้องเป็นผลหมายความธรรมะเพิ่มผลก็ธรรมะจะต้องเป็นสุขพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่าเธอทั้งหลายจะได้กลัวบุญเลยเพราะคำว่าบุญบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขมันจะต้องเห็นทั้งสองตัวนะเห็นการลดไปของกิเลสเห็นการเพิ่มขึ้นธรรมะและเห็นตัวผลคือความสุขที่เราสัมผัสได้ทางใจเราใครใครก็ได้ เราให้ไปสมมติว่าตัมูลตักบาทไปแล้วพระไม่ใด้ชั้นพระไปให้เด็กวัดให้ขอทานไปให้อะไรแม้แต่ให้สุนัขกินเราก็ไม่ไดเกี่ยวอาหารของท่านไมันจะของเรามันของเราแค่ก่อนเราจะให้แต่นั่นเองตอนนั้นเป็นของท่านแล้วอย่าไปคว้าอย่าไปยึดติดเป็นของเราจี๋อย่ายุ่งลําบากอาปราปราเจตนามันจะเสื่อมใจมันจะเสีย นี้ก็คือก็คือฝึกการทำบุญที่ต้องมองให้เห็นตรงนี้แล้วความสุขที่สมรับรองไว้มันก็เกิดได้ทั้งในขณะปัจจุบันและในการภายพักหน้าวันนี้ก็ขอหยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรในธรรมตรงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านถือ